พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สาสาสุตตันตปิฎกขุตกนิกายอั ป, ปทานภาคที่สองพุทธวังสักเจริยาปิฎกพระไตรปิฎกเล่มนี้เป็นเล่มสุดท้ายแห่งพระสุตตันตปิฎกมีข้อความเรื่องอั ป, ปทานต่อมาจากเล่มที่32สองกับมีหัวข้ออื่นอีกสองข้อคือพุทธวังศัก หมายถึงวงแห่งพระพุทธเจ้าแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ายีสห้าพระองค์เริ่มตั้งแต่พระทีปังกรจนถึงพระพุทธเจ้าของเราคือพระสมณโคดมกับหัวข้อใหญ่อีกเรื่องหนึ่งคือจริยาปิดกคำภีร์ว่าด้วยจริยาคือความประพฤติของพระพุทธเจ้าเรื่องนี้แสดงถึงการที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติบำเพ็ญบารมีต่างๆ ต่อไปนี้จะขยายความทั้งสามหัวข้อนั้นเป็นลำดับไปหัวข้อที่หนึ่งอัปทานภาคที่สองมีข้อที่ควรกล่าวก็คือในอัปทานภาคที่หนึ่งมีประวัติของพระพุทธเจ้าสองเรื่องของพระปัเจ ก, กับพุทธเจ้าหนึ่งเรื่องประวัติของพระสาวกต่างๆ4ีรเรื่องรวม412สิเรื่อง แต่ในอัปปทานภาคสองนี้มีประวัติของพระสาวกต่างๆที่เป็นพระเถระหนึ่งร้รูปพระเถรีสี่สรูปในที่นี้จะแสดงตัวยอย่างอัปปทานคือข้ออ้างหรืออดีตประวัติของพระเถระห้ารูปของพระเถรีห้ารูปคือหนึ่งมหากัจยานะเถราประทาน ข้ออ้างหรือประวัติของพระมหากัจยานะเทระในสมัยของพระปทุมุตตรพุทธเจ้าข้าพเจ้าหมายถึงพระมหากัจยานะเทระเป็นดาบทอยู่ณหิมวันตประเทศเที่ยวไปผู้เดียวขณะที่ไปยังถิ่นของมนุษย์ทางอากาศได้เห็นพระชินะจึงเข้าไปใกล้ฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์ ผู้กำลังพันนาคุณอันยิ่งใหญ่ของพระสาวกและตั้งเป็นเอตะทักษะคือเป็นยอดหรือเลิศในทางประกาศพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ย่อๆให้พิสดารข้าพเจ้าได้ฟังก็รู้สึกพิศวงจึงไปยังหิมวันตับประเทศรวบรวมดอกไม้นำมาบูชาพระพุทธเจ้าแล้วปรารถนาฐานะเช่นนั้น คือปรารถนาตําแหน่งพระสาวกผู้เป็นเลิศทางแสดงธรรมย่อให้พิสดารพระผู้มีพระภาคก็ทรงพยากรณ์ว่าข้าพเจ้าจะได้เป็นสาวกของพระโคโดมมหามุนีมีนามว่ากัจจานะบรรลุฐานะที่ประสงค์นั้นก็ได้บรรลุในชาติสุดท้ายนี้สมตามที่ปรารถนาสอง พระมหากัปปินะเทราประธานข้ออ้างหรือประวัติของพระมหากัปปินะเทระพระชีนะทรงพระนามว่าปทุมุตตะผู้ถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงทรงอุบัติขึ้นดังดวงอาทิตย์อุทยัยในอากาศอันปลอดโปรง่งในท้องฟ้าฤดูศาสตร์พระนายกนั้นทรงยังดอกปทุมคือเวนยสัตว์ให้บานด้วยแสง คือคำสอนทรงธ ร, รมเปลือกตมคือกิเลสให้แห้งด้วยรังสีคือความรู้ครั้งข้าพเจ้าหมายถึงพระมหากปินาเทระเป็นอมสาธผู้วินิจฉัยอัฏฐคดีในหังสนนครคือหังสวตีได้สดับธรรมของพระตถาคตผู้ทรงประกาศคุณของพระสาวกนามว่าชละชุตมะผู้ให้อวาดแก่ภิกษุทั้งหลายผู้มีสติ อย่างใจของข้าพเจ้าให้ร่าเริงครั้นสดับแล้วก็เกิดปิติสมนัสนิมนต์พระตถาคตพร้อมทั้งสิทธิ์สาวกชันพัตนาหารแล้วปรารถนาฐานะนั้นคือปรารถนาตำแหน่งพระสาวกผู้เลิศในทางสอนภิกษุทั้งหลายพระตถาคตเจ้าก็ตรัสพยากรณ์ว่าจะได้เป็นผู้มีพระนามว่กกปิณนะเป็นสาวกของพระโคดมศาสดา ต่อมาก็ได้สำเร็จสมความประสงค์พระชินะคือพระพุทธเจ้าทรงตั้งข้าพเจ้าในเอตัทัคคะทางให้โอวาดแก่ภิกษุทั้งหลาย 3. ทัพพระมรบุตรเทราประธานข้ออ้างหรือประวัติของพระทัพพระมรบุตรเถระในครั้งนั้นข้าพเจ้าหมายถึงพระทัพพระมรบุตร เป็นบุตรเศรษฐีอยู่ในกรุงหังสวตีได้ฟังคำของพระปทุมุตระศาสดาผู้ทรงประกาศกิตติคุณพระสาวกของพระองค์ผู้จัดเสนาสนะคือจัดที่อยู่อาศัยของภิกษุทั้งหลายก็มีใจเบิกบานประทมอธิการคือคุณความดีแต่พระศาสดาพร้อมทั้งพระสงฆ์ราถนาฐานะนั้นคือตาแหน่งพระสาวก ผู้เลิศในทางจัดเสนาสนะก็ได้รับพยากรณ์ว่าจะได้เป็นผู้มีนามว่าทัพพระเป็นสาวกของพระโคโดมศาสดาเป็นผู้เลิศในทางจัดเสนาสนะจำเนียนการล่วงมาก็เป็นไปสมตามที่ปรารถนานั้น 4. กุมารกัสปะเทระประธานข้ออ้างหรือประวัติของพระกุมารกัสปะเทระ ในครั้งนั้นข้าพเจ้าหมายถึงพระกุมารากัสปปเป็นพรามผู้มีชื่อเสียงถึงฝั่งแห่งพระเวทขณะไปสู่ที่พักลังวันได้เห็นพระปทุมุตระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกแห่งโลกกําลังประกาศสัจธรรมสี่ประการอย่างโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกให้ตื่นอยู่ทรงพันนาคุณแห่งพระสาวกของพระองค์ผู้กล่าวธรรมะอันวิจิตร ในถ้ำกลางมหาชนข้าพเจ้าก็มีจิตเบิกบานนิมนต์พระตถาคตพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ไปฉันโพชนะมีรถอันเลิศต่างๆครบเจ็ดวันแล้วปรารถนาฐานานั้นคือตำแหน่งพระสาวกผู้เลิศในทางกล่าวธรรมะอันวิจิตรซึ่งก็ได้รับพยากรณ์ว่าจะเป็นผู้มีนามว่ากุมาร ก, กัสปะเป็นสาวกของพระโคดมศาสดา จำเนียนการล่วงมาก็เป็นไปสมตามที่ปรารถนานั้น 5. มหาโกธิตะเทราประธานข้ออ้างหรือประวัติของพระมหาโกธิตะเทระในครั้งนั้นข้าพเจ้าหมายถึงพระมหาโกธิตะเป็นพรามผู้ถึงฝั่งแห่งพระเวทในกรุงหังสวตีได้เข้าไปเฝ้า พระปทุมุตระศาสดาฟังธรรมครั้งนั้นพระองค์ทรงตั้งพระสาวกผู้มีปฏิสัมพิทาแตกฉานคือฉลาดในอัฏฐะในธรรมะในนิรุตติคือภาษาพูดและในปฏิพานทรงตั้งไว้ในตำแหน่งอันเลิศก็มีใจเบิกบานจึงนิมนต์พระชินวรวร์พร้อมด้วยพระสาวกไปฉันตลอดเจ็ดวันแล้วปรารถนาฐานานั้น คือตำแหน่งพระสาวกผู้เลิศในปฏิสัมพิธาคือความแตกชานในอัตถธรรมะนิรุติและปฏิพานซึ่งก็ได้รับพยากรว่าจะเป็นผู้มีนามว่ากฏิตตะเป็นสาวกของพระโคโดมศาสดาจำเนียนการล่วงมาก็ได้เป็นสมตามที่ปรารถนานั้นสำหรับพระมหากฏิตตะนี้ในอัปทานว่าพระมหาโมคลานะเป็นอาจารย์ พระสารีบุตรเป็นอุปัชายกของท่านต่อไปนี้เป็นตัวอย่างอัปทานของพระเทรีอีกห้ารูปหนึ่งมหาปชาบดีโคตมีเทรียาปทานประวัติของพระนางมหาปชาบดีเทรีพระผู้มีพระภาคประทับณกูตาคารสาลาป่ามหาวันใกล้กรุงเวสาลี พระนางมหาประชาบดีโคตมีก็ประทับอยู่ในสำนักนางภิกษุณีใกล้นคร น, นั้นพร้อมด้วยนางภิกษุณีทั้งหลายประมาณห้าร้อรูปผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสพระนางทรงพระดำริว่าจะไม่ได้เห็นการปรินิพานของพระพุทธเจ้าพระอัครสาวกพระราหุลพระอานนท์และพระนันทะจึงทรงปลงอายุสังขารที่จะปรินิพาน และจะไปกราบทูลขอพระพุทธานุญาตแม้นางภิกษุณีอื่นๆ500หรอรูปม hmm ีพระนางเขมาเป็นต้นก็นึกในทํานองเดียวกันจึงพร้อมกันไปเฝ้ากราบทูลลาบริณนิพพานเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสประธานอนุญาตแล้วก require ็ม <im> ีผ <li> ู <trailer> ้เลื่อมใสแสดงความโศกพระนางจึงแสดงธรรมสั ops, <mon> ่งสอนและเล่าพระประวัติ ที่ออกบรรพชาพอุปสมบทกับได้ตรัสเล่าพระประวัติในอดีตการทั้งพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระนางเกิดเป็นบุตรีของมหาอมารทผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากได้เข้าไปเฝ้าพระาศาสดาพร้อมด้วยบิดาของตนและหมู่ทาสีได้เห็นพระาศาสดาทรงตั้งพระน า, นานางของพระองค์ในเอตัทัคคะจึงถวายทาน และปรารถนาตำแหน่งนั้นบ้างก็ได้รับพยากรว่าจะได้เกิดมีนามว่าโคตมีเป็นสาวิกาของพระโคตมะพุทธเจ้าซึ่งก็สำเร็จสมตามปรารถนานั้นในประวัตินั้นยังแสดงต่อไปจนถึงสมัยที่พระนางมหาประชาบดีโคตมีเสด็จดับขันธปรินิพานณสำนักแห่งนางภิกษุณีส่งเข้าอนุปุพพวิหารก้า โดยอนุโลมและปฏิโลมแล้วทรงกลับเข้ารูปประชาญทั้งสี่ออกจากฌานที่สี่ก็เสด็จป ร, รินิพานพึงสังเกตว่าผู้ป ร, รินิพานแบบนี้มีพระพุทธเจ้าพระสาวรีบุตรกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีนี้เรื่องอัปทานนี้อันเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เจ้าของประวัติแต่งเอง แต่มีผู้รวบรวมเรื่องราวมาแต่งขึ้นในภายหลังซึ่งน่าจะเป็นในสมัยธรรมสังคยนาร้อยกรองพระธรรมวินัยระหว่างครั้งที่หนึ่งถึงครั้งที่สนอกจากนั้นสำนวนบาลีก็ดีสำนวนกวีก็ดีแสดงสมัยว่าต่างจากภาษาบาลีสำนวนพระสูตรสมัยแรกแต่โดยเหตุที่เรื่องนี้เป็นเพียงการรวบรวมประวัติที่ทรงจากันด้วยปาก ให้เป็นตัวหนังสือขึ้นการจัดเข้าในสุตตันตปิฎดกด้วยจึงเป็นการทำให้ตำราทางพระพุทธศาสนาสมบูรณ์ขึ้น2เขมาเถริยาประทานข้ออ้างหรือประวัติของพระนางเขมาเถรี e ในการนั้นข้าพเจ้าหมายถึงพระนางเขมาเถรี e ori, เกิดในสกุลเศรษฐีในกรุงหังสวตี ในสมัยแห่งพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมเทศนามีความเลื่อมใสขอให้บิดานิมนพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระสาวกฉันครบเจ็ดวันได้สดับเรื่องที่พระผู้มีพระภาคส่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งในตำแหน่งเอตะทัคะทางมีปัญญามากมีความชื่นชมกระทาบุญแล้วปราถนาตาแหน่งนั้นต่อพระผู้มีพระภาค ก็ได้รับพยากรณ์ว่าจะได้เป็นสาวิกาของพระโคตะมะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนามว่าเขมาได้บรรลุตำแหน่งเอตัตคะสมดังปราถนาและในสมัยของพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ก็ได้สำเร็จสมปราถนาทุกประการอันหนึ่งในสมัยพระวิปัสสีและพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ได้ทำเช่นเดียวกับพระนางอุปนว น, นาซึ่งจะกล่าวต่อไป 3. อุปนว น, นาเทรียาประทานข้ออ้างหรือประวัติของพระนางอุปนว น, นาเทรีในการนั้นข้าพเจ้าหมายถึงพระนางอุปนว น, นาเป็นหน้าคกัญญานิมนพระปุถุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมด้วยพระสาวกเสวยได้เห็นนางภิกษุณีองค์หนึ่งแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆจึงตั้งจิตปรารถนาฐานะเช่นนั้นได้ถวายข้าวน้ำและถวายดอกอุบลชื่ออรุณะปรารถนาให้มีผิวกายดังดอกอุบลครั้นในศาสนาของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เกิดเป็นทิดาเศรษฐี ถวายมหาทานแด่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ในสมัยแห่งพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นพระธิดาองค์ที่สองของพระเจ้ากิกิราชาแห่งแคว้นกาสีผู้อุปถากพระพุทธเจ้าซึ่งในการนี้พระนางเขมาเกิดเป็นพระราชธิดาองค์ที่หนึ่งพระนางอุปนว น, นาในพระชาต ที่เกิดเป็นพระธิดาองค์ที่สองของพระเจ้ากิกิฟังพระธรรมเทศนาขอบรรพชาแต่พระราชบิดาไม่ทรงอนุญาตจึงประพฤติโรมจันทร์อยู่ในพระราชวังพร้อมด้วยพระคินีอื่นๆรวมเจ็ดพระองค์ทั้งพระองค์เองนอกจากนั้นในชาติอื่นๆอีกยังได้ทำความดีในพระปัจเจกพุทธเจ้าหลายพระองค์ในชาติสุดท้ายเกิดเป็นธิดาเศรษฐี ออกบวชตรัสรู้อริยสัจ ส, สีและกิเลสาสวะได้และเป็นผู้เลิศในทางมีริสส์ 4. ปตาจาราเทียญาประทานข้ออ้างหรือประวัติของพระนางปตาจาราเทีในการนั้นข้าพเจ้าหมายถึงพระนางปตาจาราเที เกิดในสกุลแห่งเศรษฐีในกรุงหังสวตีในสมัยของพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สดับพระธรรมเทศนามีความเลื่อมใสถึงพระชินเจ้าเป็นสารณะมีจิตชื่นบานเมื่อเห็นพระผู้มีพระภาคทรงตั้งนางภิกษุณีตำแหน่งเลิศทางพระวินัยจึงปรารถนาฐานะนั้นนิมนต์พระทศพลพร้อมทั้งพระสงฆ์ ฉันเป็นเวลาเจ็ดวันแล้วได้กราบทูลแสดงความปรารถนาก็ได้รับพยากรณ์ว่าจะได้มีนามว่าปตาจาราเป็นสาวิกาของพระโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้าอนหนึ่งในสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เป็นพระธิดาองค์ที่สามของพระเจ้ากิกิและมีความเป็นไปเช่นเดียวกับพระนางอุ ป, ปวนวนา หุ้ลทนเกสีเถริยาประทานข้ออ้างหรือประวัติของพระนางกุลทนเกสีเถรีประวัติของพระนางกุลทนเกสีก็เป็นเช่นเดียวกับพระนางเขมาพระนางอุปลว น, นาพระนางปตาจาราคือได้บำเพ็ญกุศลในสมัยพระประทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นในทรรนองเดียวกัน ในสมัยแห่งพระโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกบวชสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งเลิศทางตรัสรู้ได้เร็ว